หนึ 1> 1. ่งกูชะติกะสี่นิสยวาระหนึ่งปัจจญานุโลมหนึ่ง 1. วิพังควาระอนุโลมมเหตุปัจจสารอย3ี่สิบเก้าสภาวธรรมที่เป็นกุศลอองอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ ขันสามอิงอาศัยขันหนึ่งที่เป็นกุศลเกิดขึ้นขันหนึ่งอิงอาศัยขันสามเกิดขึ้นขันสองอิงอาศัยขันสองเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิศอิงอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้น ini, Sundays, academia, เพราะเหตุตุปัจได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอิงอาศัยขันที่เป็นกุศลเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยกฤิองิงอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจ ได้แก่ขันสามและจิตตสมุทฐานรูปอิกงายสายขันหนึ่งที่เป็นกุศลเกิดขึ้นขันหนึ่งและจิตตสมุทฐานรูปอิกงายสายขันสามเกิดขึ้นขันสองและจิตตสมุทฐานรูปอิกงายสายขันสองเกิดขึ้นสาม้อยสาสิสภาวธรรมที่เป็นอกุศลอิกงายสยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจได้แก่ขันสามอิกงายสายขันหนึ่งที่เป็นอกุศลเกิดขึ้น และถึงขันสองอิงาสายขันสองเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นอภยากฤิ bb. อิงาสายสภาวะธรรมที่เป็นอกุศนเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตะส ม, มุทฐานรูปอิงาสายขันที่เป็นอกุศนเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอภยากฤิอิงาสายสภาวะธรรมที่เป็นอคุศนเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตส ม, มุทฐานรูป อิกงายสายขันหนึ่งที่เป็นอคุศนเกิดขึ้นขันสองและจิตตสมุทฐานรูปอิกงายสายขันสองเกิดขึ้นสามร้อยสามสิเอ็ดสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤิทธ์อีงายสายสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุทฐานรูปอิกงายสายขันหนึ่งที่เป็นอัพยากตะวิบากและที่เป็นอัพยากตะปริยาเกิดขึ้น ขันหนึ่งและจิตตะสมุทฐานรูปอิงอาศัยขันสามเกิดขึ้นขันสองและจิตตสมุทฐานรูปอิงอาศัยขันสองเกิดขึ้นในปฏิสนทิขณะขันสามและกระตาตารูปอิงอาศัยขันหนึ่งที่เป็นอัพยกตะวิบากเกิดขึ้นขันหนึ่งและกระตาตารูปอิงอาศัยขันสามเกิดขึ้นขันสองและกระตาตารูปอีหงสายขันสองเกิดขึ้น หาทายวัตถุอิงอาศัยขันเกิดขึ้นขันอิงอาศัยหาทายวัตถุเกิดขึ้นมหาภูตรูปสามอิงอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งเกิดขึ้นมหาภูตรูปหนึ่งอิงอาศัยมหาภูตรูปสามเกิดขึ้นมหาภูตรูปสองอิงอาศัยมหาภูตรูปสองเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปและกระตาตารูปที่เป็นอุปาทยารูปอิงอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นขันที่เป็นอัพยากตะวิบาก และที่เป็นอัพยกตะกริยาอิงอาศัยหาทายวัตถุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นกุศลอิงอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุตุจใจได้แก่ขันธ์ที่เป็นกุศลอิงอาศัยหาทายวัตถุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอกุศลอิงอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปใจได้แก่ขันธ์ที่เป็นอกุศลอิงอาศัยหาทายวัตถุเกิดขึ้นๆๆ สภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤตอิงอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นกุศลอิงอาศัยหาทยัยวัตถุเกิ ด, ข, ดขึ้นจิตตะสมุทฐานรูปอิงอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤตอิงอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิทธ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นอ ก, นกุศล อีกงาศัยหาทายวตถุเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปอิงอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสาม้สสภาวธรรมที่เป็นกุศลอิงอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤิดเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามอิงอาศัยขันหนึ่งที่เป็นกุศลและอิงอาศัยหาทายวตถุเกิดขึ้นขันสองอีงอาศัยขันสองและหาทายวตถุเกิดขึ้น สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตอิงอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอิงอาศัยขันที่เป็นกุศลและอิงอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤิอิงอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ ขันสามอิงอาศัยขันหนึ่งที่เป็นกุศลและอีกสายหทายวัตถุเกิดขึ้นขันสองอีกสายขันสองและอิงอาศัยหทายวัตถุเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปอีกสายขันที่เป็นกุศลและอิงอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอกุศลอิงอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจได้แก่ขันสามอีกสายขันหนึ่งที่เป็นอกุศล และอีกอาศัยหาทายวัตถุเกิดขึ้นขันสองอิงอาศัยขันสองและหาทัยวัตถุเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤิอิงอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอิงอาศัยขันที่เป็นอกุศลและอิงอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤิ อีกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอภยากฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจไจด้แก่ขันสามอิงอาศัยขันหนึ่งที่เป็นอกุศลและอิงอาศัยหทายวัตถุเกิดขึ้นขันสองอิงอาศัยขันสองและหาทายวัตถุเกิดขึ้นจิตตสมุฐานรูปอิงอาศัยขันที่เป็นอกุศลและอิงอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นพึงขยายให้พิจารณาเหมือนในปั จ, จยาวาระหนึ่ง ปัจญานุลมสองสังคยาวาระสุทไนสามร้อยสามสิบสามเหตุปัจัยมีสิบเจ็ดวาระอารมณปัจัยมีเจ็ดวาระอธิปติปั จ, จัยมีสิบเจ็ดวาร ะ, อ, จจาระอนันตระปั จ, จัยมีเจ็ดวาระสมานันตระปั จ, จัยมีเจ็ดวาระสหชาตะปัจใยมีสิบเจ็ดวาระอัญญมัญญปัจัยมีเจ็ดวาระ นิจยปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระอุปนิจยปัจจัยมีเจ็ดวาระปุเรชาตปัจจัยมีเจ็ดวาระอายเสนณปัจจัยมีเจดวาระกรรมปัจจัยมีสิบเจดวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระอินทรียปัจจัยมีสิบเจดวาระชานะปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระมัครปัจจัยมีสิบเจดวาระ จำปยุตตปั จ, จัยมีเจ็ดวาระวิปยุตตาปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระอธิปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระนาธิปัจจัยมีเจ็ดวาระวิคตะปัจจัยมีเจ็ดวาระอวิคตะปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระพึงขยายให้พิจารณาเหมือนในปัจยะวาระอนุโลมในนิสยาวาระจบสองปัจ ย, ยปัจจนยะ หวิพังฆวาระนเหตตป จ, จัยสา้ย 4, สามสิบสสภาวธรรมที่เป็นอกุศลอีงอานสายสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะนะเหตตปัจจัยได้แก่โมหะที่สหรโคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรโคตด้วยอุทจจะอีงานสายขันที่สหรโคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรโคดด้วยอุทจจะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอพยากฤต อีงาศัยสภาวธรรมที่เป็นอพยากฤิเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สและจิตตสมุทฐานรูปอิงอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นอเหตุตุกะซึ่งเป็นอภยากตะวิบากและอภยากตะกริยาเกิดขึ้นขันธ์หนึ่งและจิตตะสมุทฐานรูปอิงอาศัยขันธ์สามเกิดขึ้นขันธ์สองและจิตตะสมุทฐานรูปอิงอาศัยขันธ์สองเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุตุกะ ขันสามและกตัตตารูปอิงอาศัยขันหนึ่งที่เป็นอัพยากระตวิบากเกิดขึ้นขันสองและกระตตารูปอีงาศัยขันสองเกิดขึ้นหาทะเยวัตถุอิงอาศัยขันเกิดขึ้นขันอิงอาศัยหาทะยวัตถุเกิดขึ้นมหาภูตรูปสามอิงอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานนรูปและกตัตตารูปที่เป็นอุปาทะยรูปอีงาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นและถึง ที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทรานที่มีอุตุเป็นสมุทรานสำหรับเหล่าอสัญญสัตยพรมมหาภูตรูปสามอิงอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งเกิดขึ้นกระตัตตารูปที่เป็นอุปาทยรูปอิงอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นจากขวิญญาณอิงอาศัยจากขายตนะเกิดขึ้นกายวิญญาณอิงอาศัยกายายตนะเกิดขึ้นขันที่เป็นอเหตุุกะซึ่งเป็นอัพยากตะวิบาก และอพยากัตกริยาอิงาศัยหัยวัตถุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอกุศลอิงาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัภยากฤิเกิดขึ้นเพราะในเหตุปัจจัยได้แก่โมหะที่สหรคตด้วยวิชิกิจชาและที่สหรโคด้วยอุทจจะอิงาศัยหทัยวัตุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอกุศลอิงาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอภยากฤิเกิดขึ้นเพราะในเหตุปัจจัย ได้แก่โมหะที่สหรโครด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรโครด้วยอุทจจะอิงอาศัยขันที่สหอรโครด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตรด้วยอุทัจจะและอิงอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นพึงขยายให้พิสดารเหมือนในปัจจยาวาระ 2. ปัจจยะปัจญจิยะสองสังคยาวาระสุทไนสามร้อยสามสิบห้า นเหตุปัจจัยมีสี่วาระนอานอรมณปัจจัยมีห้าวาระนอธิปติปัจจัยมีสิบเจดวาระนอนันตระปัจจัยมีห้าวาระนสมนันตระปัจจัยมีห้าวาระนอัญญมัญญปัจจัยมีห้าวาระนอุปนิสยปัจจัยมีห้าวาระนัปุเรชาตะปัจจัยมีเจ็ดวาระนปัจฉาชาตะปัจจัยมีสิบเจดวาระ อนอาศัยวนปัจจัยมีสิบเจดวาระนกรรมะปัจจัยมีเจ็ดวาระนวิปากะปัจจัยมีสิบเจดวาระนอาหาระปัจจัยมีหน oui ึ่งวาระนอินทรียะปัจจัยมีหนึ่งวาระนาชานะปัจจัยมีหนึ่งวาระนมะขะปัจจัยมีหนึ่งวาระนสัมปยุตตปัจจัยมีห้าวาระนวิปยุตตะปัจจัยมีสามวาระ โนนัตถ์ปัจจัยมีห้าวาระโนวิคตาปัจจัยมีห้าวาระปัจจนียะในนิจยวาระจบ3ปัจญานุโลมปัจญจิยเหตุทุกข์นในสาม้อยสามสิบณอารมณปัจจัยกับเพตุปัจจัยมีห้าวาระณอธิปติปัจจัยละถึงมีสิบเจ็ดวาระณอนันตระปัจจัยมีห้าวาระ ณสมนันตระปัจจัยะเภิดถูกปัดใจมีห้าวาระณอัญญมัญญปัจใจและถึงมีห้าวาระณอุปนิสัยปัจดใจมีห้าวาระณปุเรชาติปัจจัยมีเจ็ดวาระณปัจฉาชาติปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระณอาศัวนปัจจัยมีสิบเจดวาระณกรรมปัจจัยมีเจดวาระณวิปากปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระ ณสัมปยุตตปัจจัยมีห้าวาระณวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระโนนัติปัจจัยมีห้าวาระโนวิขตะปัจจัยมีห้าวาระยอ่ออนุโลมปัจญจิยะในนิจยวาระจบสปัจจยะปั จ, จนิยานุโลมนเหตุทุกข์ในสามร้อยสามสิบเ็ด อารามณะปัจจัยกับเนหตุป em ัจจัยมีสีวาระอนันตรปัจจัยและถึงมีสีวาระสมณันตระปัจจัยมีสีวาระสหชาติปัจจัยมีสีวาระอัญญามัญญะปัจจัยมีสีวาระนิสยปัจจัยมีสีวาระอุปานิสยปัจจัยมีสีวาระปุเรชาตปัจจัยมีสีวาระอสวนปัจจัยมีสีวาระ กรรมปัจจัยมีสีวาระวิปากับปัจจัยครับนิเหตุปจัจจัยมีหนึ่งวาระอหรปัจจัยและถึงมีสีวาระอินทริยปัจจัยมีสีวาระชานปัจจัยมีสีวาระมรรคปัจจัยมีสามวาระสำยุตตปัจจัยมีสีวาระวิปยุตตปัจจัยมีสี่วาระอธิปัจจัยมีสีวาระนัถิปัจจัยมีสีวาระ วิคตาปัจใจมีสี่วาระอวิคตาปัจใจมีสี่วาระยอ่อปัจญจิยานุโลมในนิสยวาระจบที่เป็นปัจญยวาระได้แก่นิสยวาระที่เป็นนิสยวาระได้แก่ปัจญยะวาระนิสยวาระจบ สละเตกะหสังสัทธาวาระหนึ่งปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังคาวาระเหตุปัจจัามอยสามสิบแปสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดรคนกับสภาวธรรมที่เป็นกุศลเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามเกิดรคนกับขันหนึ่งที่เป็นกุศลขันหนึ่งเกิดรคนกับขันสามขันสองเกิดรคนกับขันสอง สภาวธรรมที่เป็นอคุศลเกิดระคนกับสภาวธรรมที่เป็นอกุสลเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สเกิดรคนกับขันธ์หนึ่งที่เป็นอคุศลขันธ์หนึ่งเกิดรคนกับขันธ์สาขันธ์สองเกิดรคนกับขันธ์สองสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤตเกิดรคนกับสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤิตเพราะเหตุตุปัจได้แก่ขันธ์สเกิดรคนกับขันธ์หนึ่งที่เป็นอัพยากตะวิบากและที่เป็นอัพยากตะกริยา ขันหนึเกิดรักคนกับขันสามขันสองเกิดรัคนกับขันสองในปฏิสนธิขณะขันสามเกิดรักคนกับขันหนึ่งที่เป็นอพยากตะวิบากขันหนึ่งเกิดรัคนกับขันสามขันสองเกิดรักคนกับขันสองอารมณปัจจัยเป็นต้นสาม้ยสาสิบเสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดรัคนกับสภาวธรรมที่เป็นกุศลเพราะอารมณปัจจัย เพราะอธิปฏิปัจจัยไม่มีอธิปฏิปัจจัยในปฏิสนธิขณะเพราะอนันตระปัจจัยเพราะสัมนันตระปัจจัยเพราะสหชาตาปัจจัยเพราะอัญญามัญญปัจจัยเพราะนิสยปัจจัยเพราะอุปานิสยปัจจัยบททั้งหมดเหมือนเหตุมูลกะไหนปุเรชาตาปัจจัยสี่สิ สภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดรกรวมกับสภาวธรรมที่เป็นกุศลเพราะบุเรชาตปัจจัยได้แก่ขันสามเกิดรกรวมกับขันหนึ่งที่เป็นกุศลขันหนึ่งเกิดระคนกับขันสามขันสองเกิดระคนกับขันสองขันเกิดรกรวกับหาทายวตถุเพราะบุเรชาตปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเกิดระคนกับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเพราะบุเรชาตปัจจัยได้แก่ ขันสามเกิดรัคนกับขันหนึ่งที่เป็นอคุสลขันหนึ่งเกิดรัคนกับขันสามขันสองเกิดรัคนกับขันสองขันเกิดรัคนกับพัทายวตถุเพราะบุเรชาตปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤตเกิดรัคนกับสภาวะธรรมที่เป็นอัพยกฤตเพราะบุเรชาตปัจจัยได้แก่ขันสามเกิดระคนกับขันหนึ่งที่เป็นอัพยากตะวิบากและที่เป็นอัพยากตะกริยา ขันหนึเกิดรกคุกับขันสามขันสองเกิดรกคุกับขันสองขันเกิดรกคุกับหาทยวัตถุเพราะบุเรชาตปัจจัยอาเสวนปัจจัย3ี่สสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดรกคุกับสภาวธรรมที่เป็นกุศลและถึงสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเกิดรกคุกับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลสภาวธรรมที่เป็นอัพยกริ เกิดรคนกับสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิเพราะอาเสวนปัจจัยได้แก่ขันธ์สามเกิดรกนกับขันธ์หนึ่งที่เป็นอพยากตะกริยาและถึงกรรมปัจจัยส42สภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดรกรกับสภาวธรรมที่เป็นกุศลเพราะกรรมปัจจัยและถึงสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเกิดรกนกับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤต เกิดรกนกับสภาวธรรมที่เป็นอภยกริวิปากับปัจจัย3ามรสสภาวธรรมที่เป็นอภยกริเกิดรกนกับสภาวธรรมที่เป็นอภยกริเพราะวิปากับปัจจัยได้แก่ขัน3เกิดรกนกับขันหนึ่งที่เป็นอภยากตะวิบากอาหารรับปัจจัยเป็นต้น3า4 สภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดรกรวกับสภาวธรรมที่เป็นกุศลเพราะอาหารปัจจัยเพราะอินทริยปัจจัยเพราะชานะปัจจัยเพราะมรรคขปัจจัยเพราะสัมปยุตตปัจจัยบทเหล่านี้เหมือนกับเพตุปัจจัยวิปยุตตปัจจัยสาม้อยสี่สิห้าสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดรกรวกับสภาวธรรมที่เป็นกุศลเพราะวิปยุตตะปัจจัยได้แก่ ขันสามเกิดรักคนกับขันหนึ่งที่เป็นกุศลขันสองเกิดรักคนกับขันสองขันเกิดรัคนกับพาทยวัตถุเพราะวิปยุตตะปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเกิดรักคนกับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลขันเกิดรัคนกับพาทัยวัตถุเพราะวิปยุตตปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤิเกิดระคนกับสภาวธรรมที่เป็นอัภยากฤิขันเกิดระคนกับพาทยวัตถุเพราะวิปยุตตะปัจจัย อธิปัจจัยเป็นต้นสาม้สสิบหสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดรคนกับสภาวธรรมที่เป็นกุศลเพราะอธิปัจจัยเพราะนัตถิปัจจัยเพราะวิคตะปัจจัยเพราะอาวิคตะปัจจัยปัจจัยนี้เหมือนกับเพตุปัจจัย ปัจยานุโลมสองสามยาวาระสุทไนสามยสี่สิเจดเหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระอานันตรปัจจัยมีสามวาระสมณันตระปัจจัยมีสามวาระสหชาติปัจจัยมีสามวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระนิจญาปัจจัยมีสามวาระ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 อธิปัจจัยมีสามวาระนัธิปัจจัยมีสามวาระวิคตาปัจจัยมีสามวาระอวิคตาปัจจัยมีสามวาระเหตุทุกขกนัยสามร้อยสี่สิบปดอรามณะณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระพึงขยายเหตุมูลกะไนให้พิดารอาเจวณทุกขกนัยสามร้อยสี่สิบเ้า เฮตุปัจจัยก An ับอาเสวนะปัจจัยมีสามวาระอระมณะปัจจัและถึงมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระอานันตระปัจจัยมีสามวาระสมนันตระปัจจัยมีสามวาระชาติชาตะปัจจัยมีสามวาระอัญญมัญญะปัจจัยมีสามวาระนิจยปัจจัยมีสามวาระอุปนิสยาปัจัยมีสามวาระ บุเรชาตปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยมีสามวาระอาหารปัจจัยมีสามวาระอินทริยป네ัจจัยมีสามวาระชานะปัจจัยมีสามวาระมรรคปัจจัยมีสามวาระสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระวิปยุตตาปัจจัยมีสามวาระอธิปัจจัยกับอาเสวณปัจจัยมีสามวาระนัตถิปัจจัยและถึงมีสามวาระ วิคตาปัจจ <screen> ัยมีสามวาระอวิคตาปัจจัยมีสามวาระย่อวิปากะทุกนัยสามร้อยห้าสเฮตุปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอารมณะปัจจใจละถึงมีหนึ่งวาระอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระอนันตระปัจจัยมีหนึ่งวาระสมนันตระปัจจัยมีหนึ่งวาระสหชาติปัจจัยมีหนึ่งวาระ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 ปัจญยปัจญนียหนึ่งวิพังควาระในเหตุปัจจัาม้ยห้าสเอ็ดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเกิดรกับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเพราะในเหตุปัจจัยได้แก่โมหะที่สหรกรโด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรกรโด้วยอุทจจะเกิดรกับขันที่สหรกรธด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรกรโด้วยอุทจจะสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤิ เกิดรคนกับสภาวะธรรมที่เป็นอภยากฤตเพราะในเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามเกิดรคนกับขันหนึ่งที่เป็นอเหตุตุกะซึ่งเป็นอพยากตะวิบากและอพยากตะกริยาขันหนึ่งเกิดรคนกับขันสามขันสองเกิดรคนกับขันสองในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุตุกะขันสามเกิดรคนกับขันหนึ่งที่เป็นอพยากตะวิบากขันหนึ่งเกิดรคนกับขันสาม ขันสองเกิดรกคนกับขันสองณอธิปติปัจจัยเป็นต้น3ามห้าสสภาวะธรรมที่เป็นกุศลเกิดรักคนกับสภาวะธรรมที่เป็นกุศลเพราะณอธิปติปัจจัยเพราะณปุเรชาตปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิขันสามเกิดรักคนกับขันหนึ่งที่เป็นกุศลขันสองเกิดรกคนกับขันสองณปัจฉาชาติปัจจัามยห้าบสาม สภาวธรรมที่เป็นอกุศลเกิดรกรกับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิเกิดรกรกับสภาวธรรมที่เป็นอภิยากฤิสภ <museums> าวธรรมที่เป็นกุศลเกิดรกรกับสภาวธรรมที่เป็นกุศลเพราะนปัจฉาชาติปัจจัยมีสามวาระเพราะนอเศัณณปัจจัยมีสามวาระนกรรมปัจจัยห้าสิบ สภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดรักคนกับสภาวธรรมที่เป็นกุศลเพราะนกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่เป็นกุศลเกิดรักคนกับขันธ์ที่เป็นกุศลสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเกิดรักคนกับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเพราะนกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่เป็นอกุศลเกิดรักคกับขันธ์ที่เป็นอกุศลสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤตเกิดรักคนกับสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเพราะนกรรมปัจจัยได้แก่ เจนาที่เป็นอัพยกตะกริยาเกิดระควรกับขันที่เป็นอัพยกตะกริยานาวิปากับปัจจัยสามอห้าสิบห้าสภาวธรรมที่เป็นคุศลเกิดระควกับสภาวธรรมที่เป็นคุศลสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเกิดระควรกับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิเกิดระควกับสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิเพราะนาวิปากับปัจจัยได้แก่ ขันสามเกิดรักคนกับขันหนึ่งที่เป็นอพยากตะกริยานกรรมปัจจัยและนวิปากับปัจจัยในปัจจนิยวิพังสังสัทวาระไม่มีปฏิสนธิมีแต่ในปัจจัยที่เหลือนัชานปัจจัย356สภาวธรรมที่เป็นอภยากฤตเกิดรักคนกับสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤตเพราะนัชานะปัจจัยได้แก่ ขันสามเกิดรัคนกับขันหนึ่งที่สจรโคตด้วยปัญจวิญญาณขันสองเกิดรัคนกับขันสองนมัคคะปัจจัาม้อยห้าสิบเจ็ดสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤตเกิดรัคนกับสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤตเพราะนามัคคปัจจัยได้แก่ขันสามเกิดรัคนกับขันหนึ่งที่เป็นอเฮตุกะซึ่งเป็นอัพยากตะวิบากและอภยากตะกริยา ขันสองเกิดระคนกับขันสองในปฏิสนทิขณะที่เป็นอเหตุตุกะณวิปยุตตาปัจใจสามร้อยห้าสิบแปดสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดรัคนกับสภาวธรรมที่เป็นกุศลเพราะณวิปยุตตาปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิขันสามเกิดระคนกับขันหนึ่งที่เป็นกุศลขันสองเกิดรัคนกับขันสอง สภาวธรรมที่เป็นอกุศลเกิดรัคนกับสภาวธร ini, รมที่เป็นอกุศลเพร า, าะนวิปยุตตาปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิขันสามเกิดรัคนกับขันหนึ่งที่เป็นอกุศลขันสองเกิดรัคนกับขันสองสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเกิดรัคนกับสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิเพราะนวิปยุตตาปัจจใจได้แก่ในอรูปาวจรภูมิขันสามเกิดระคนกับขันหนึ่งที่เป็นอภิยากตะวิบาก และที่เป็นอพยกากตะกริยาขันสองเกิดร ก, กักขันสองไม่มีปฏิสนทิในณวิปยุตตะปัจจ mm. สองปั จ, จยะปั จ, จนิยะสองสังคยาวาระสุทไน 3ามนหาเหตุปัจจัยมีสองวาระณอธิปติปัจจัยมีสามวาระนปุเรชาตะปัจจัยมีสามวาระนปัจฉาชาติปัจจัยมีสามวาระณอเศวณะปัจจัยมีสามวาระนกรมมปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยมีสามวาระณชาณะปัจจัยมีหนึ่งวาระนมฆาปัจจัยมีหนึ่งวาระณวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระ นเหตุทุกขในัยหกสิบนอธิปติปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระนัปุเรชาตปัจจัยละถึงมีสองวาระนปัจฉาชาติปัจจัยมีสองวาระนอาศัยวนปัจจัยมีสองวาระนกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปากปัจจัยมีสองวาระนั่นชาณะปัจจัยมีหนึ่งวาระนมรรคปัจจัยมีหนึ่งวาระ นวิปยุตตาปัจจัยมีสองวาระติดกะในนาปูเรชาตปัจจใจคำนาเหตุตปัจจัยและนอธิปฏิปัจจัยมีสองวาระนปัจชาชาตปัจจัยละถึงมีสองวาระนอาเซวณปัจจัยมีสองวาระนกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปากปัจจัยมีสองวาระนาชาณปัจจัยมีหนึ่งวาระนมะฆะปัจจัยมีหนึ่งวาระ นวิปยุตตาปจัจจัยมีสองวาระจะตุกไนนาปัจฉาชาตาปัจจัยกับนาเหตุตัวปัจใจนาอธิปติปัจจัยและนาปูเรชาตาปัจจัยมีสองวาระนอเสวนาปัจจัยกับละถึงมีสองวาระนกรรมปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนวิปากปัจจัยกับมีสองวาระนมะฆาปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนวิปยุตตาปัจจัยกับ มีสองวาระชาคะในณกรรมปัจจัยกับนเหตุปัจจัยณอธิปติปัจจัยณปุเรชาติปัจจัยณปัจฉาชาตะปัจจัยและณอเศวณปัจจัยมีหนึ่งวาระณวิปากปัจจัยกับละถึงมีสองวาระณมคขปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณวิปยุตตปัจจัยกับมีสองวาระสัตตะใน นวิปากะปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยณอธิปติปัจจัยณาปุเรชาตปัจจัยณปัจฉาชาตปัจจัยณอเสวนปัจจัยและณกรรมะปัจจัยมีหนึ่งวาระณมะขะปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระณวิปยุตตาปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนวกะไนนาวิปยุตตาปัจจัยกับณเหตุปัจจัยณอธิปติปัจจัยละถึง นกรรมปัจใจนาวิปากปัจจัยและนมะขะปัจจัยมีหนึ่งวาระนอธิปติทุกขในสาร้อยหกสิบเอ็ดนเหตุุปัจจัยกับนอธิปติปัจจัยมีสองวาระนาปุเรชาตะปัจจัยละถึงมีสามวาระนัจชาชาตะปัจจัยมีสามวาระนอาศิวนาปัจจัยมีสามวาระนกรรมปัจจัยกับนอธิปติปัจจัยมีสามวาระ นวิปากะปัจจัยละถึงมีสามวาระนาชานะปัจจัยมีหนึ่งวาระนามัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปยุตตะปัจจัยมีสามวาระติดกระในนาปุเรชาตะปัจจัยกับนอธิปติปัจจัยและนเหตุตปัจจัยมีสองวาระนาปช้าชาตะปัจจัยละถึงมีสองวาระนอาศัยวะณปัจจัยมีสองวาระ นกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปากปัจจัยมีสองวาระนัฌานปัจจัยมีหนึ่งวาระนมฆาปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปยุตตาปัจจัยมีสองวาระย่อนปุเรชาตะทุกข์ภายนสยหกสสองนเหตุปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมีสองวาระนอธิปติปัจจัยละถึงมีสามวาระ ณปัจฉาชาตะปัจจัยมีสามวาระนอาศัยวณปัจัยมีสามวาระนกรรมมะปัจจัยมีสามวาระณวิปากปัจจัยมีสามวาระนมคะปัจจัยมีหนึ่งวาระณวิปยุตตะปัจจัยมีสามวาระติกกะในณอธิปติปัจจัยกับณปุเรชาตปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีสองวาระนปัจฉาชาตะปัจัจละถึงมีสองวาระ ณอาศัยวณัปจ์ใจมีสองวาระณกรรมะปัจจัยมีหนึ่งวาระณวิปากะปัจจัยมีสองวาระนมฆะปัจจัยมีหนึ่งวาระณวิปยุตตะปัจจัยมีสองวาระย่อณปัจฉาชาตะและณอาศัวณัทุกกนายสามรอหกสาณเหตุปัจจัยกับนปัจฉาชาตะปัจใจและถึงณอาเสวณัปัจมีสองวาระ ณอธิปติปัจจัยก <League> ับละถึงมีสามวาระณปุเรชาติปัจจัยกับมีสามวาระณปชาชาติปัจจัยกับมีสามวาระณกรมมปัจจัยกับมีสามวาระณวิปากปัจจัยกับมีสามวาระณฌานปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณมขะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณวิปยุตตปัจจัยกับมีสามวาระ ติดประในณอธิปฏิปัจจัยกับณเอเสวนปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีสองวาระณปุเรชาตปัจใจและถึงมีสองวาระณปัจชาชาตปัจจัยมีสองวาระณกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระณวิปากปัจจัยกับณเอเสวนปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีสองวาระณชานะปัจใจและถึงมีหนึ่งวาระณมคขปัจจัยมีหนึ่งวาระ นาวิปยุตตาปัจจัยมีสองวาระยอ่อนะกรรมทุกก น, นัยสามรยหกสิบสี่นเหตุปั จ, จัจกับนกรรมปั จ, จัยมีหนึ่งวาระนาะอธิปติปัจจัยละถึงมีสามวาระนะประชาปเรชาตปัจจัยมีสามวาระนาปชาชาตปัจัยมีสามวาระนาอเซวนปัจจัยมีสามวาระนาะวิปากปัจใจมีสามวาระ นมัคคปัจัจมีหนึ่งวาระณวิปยุตตาปัจัยมีสามวาระเตะกะในณอธิปติปัจัยกับนกรมะปัจัยและณเหตุปัจัยมีหนึ่งวาระณปุเรชาตปัจใจละถึงมีหนึ่งวาระณปัจชาชาตาปัจัยมีหนึ่งวาระณอาสวณปัจัยมีหนึ่งวาระณวิปากะปัจัยมีหนึ่งวาระนมัคคะปัจัยมีหนึ่งวาระ นวิปยุตตาปัจจัยมีหนึ่งวาระยอ่อนวิปากะทุกนายสรยหกสิบนเหตุปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมีสองวาระนาอธิปติปัจจใจละถึงมีสามวาระนปุเรชาตปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมีสามวาระนปัชชาชาตปัจจใจละถึงมีสามวาระนาอาศัยวนปัจจัยมีสามวาระ นกรรมปัจจัยมีสามวาระนมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปยุตตาปัจจัยมีสามวาระสัตตกะในนกรรมปัจจัยกับนวิปากปัจจัยนเหตุปัจจัยกอธิปติปัจจัยกปุเรชาตปัจจัยกปัจฉาชาตปัจจัยและนอาศุวนปัจจัยมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระ ณวิปยุตตาปัจจัยกับมีสองวาระย่อณชาณทุกขะในสา้อยหกสิณเหตุปัจจัยกับณชาณปัจจัยมีหนึ่งวาระณอธิปติปัจจัยละถึงมีหนึ่งวาระณปัจฉาชาตาปัจจัยมีหนึ่งวาระณอเสวนปัจจัยมีหนึ่งวาระณมขะปัจจัยมีหนึ่งวาระชากะใน นัมมะฆปัจจัยกับนชานะปัจจัยนเหตุปัจจัยณอธิปติปัจจใจนัปชาชาตะปัจจัยและณอาศัยวะนปัจจัยมีหนึ่งวาระนัมะฆทุกไนสายห67ิเจนเฮตุปัจจัยกับนัมะฆะปัจจัยมีหนึ่งวาระณอธิปติปัจจัยละถึงมีหนึ่งวาระนปุเรชาตะปัจจัยกับนมะฆะปัจจัยมีหนึ่งวาระ นปัจฉาชาตะปัจจใจละถึงมีหนึ่งวาระณอาศวนปัจจัยมีหนึ่งวาระนกรรมะปัจจัยมีหนึ่งวาระณวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระณาชานะปัจจัยมีหนึ่งวาระณวิปยุตตะปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อณวิปยุตตะทุกขไนสรยหกสิบแเหตุปัจจัยกับนวิปยุตตะปัจจัยมีสองวาระ ณอธิปติปัจจัยละถึงมีสามวาระณนะปุเรชาตะปัจจัยมีสามวาระณปัจฉาชาตะปัจจัยมีสามวาระณอนะาสวนาปัจัยมีสามวาระนกรรมปัจจัยมีสามวาระณวิปากปัจัยมีสามวาระณมขาปัจจัยมีหนึ่งวาระเตะกะใน ณอธิปต no no er <bir> <INGS> ิปัจจัยกับณวิปยุตตาปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีสองวาระณปเรชาตะปัจจัยละถึงมีสองวาระณปัจฉาชาตะปัจจัยมีสองวาระณอาศัยวะนปัจจัยมีสองวาระนกรรมะปัจจัยมีหนึ่งวาระณวิปากะปัจจัยมีสองวาระนมขะปัจจัยมีหนึ่งวาระนวกะใน ณมคขาปัจจัยกับนวิปยุตตะปัจจัยณเหตุปัจจัยณอธิปติปัจจัยณปุเรชาตะปัจจัยณปัจฉาชาตะปัจจัยณอาเสวะณปัจจัยณกรรมะปัจจัยและณวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระปัจนียะจบ